ตั้งใจฝังเทศตั้งใจสำรวมระมัดระวังมาวันนี้หัวหน้าเป็นกำไพยพูดเกี่ยวกับเรื่องสติการระวังรักษาสติแท้ที่จริงมันก็เป็นเป้าของธรรมะมันเป็นหลักของธรรม ะ, ะมันเป็นแกนใหญ่เป็นแกนหลักของธรรมะทีเดียวเลยแหละเกี่ยวกับเรื่องสติเนี่ย เราควรทราบก่อนสติสติคือความระลึกได้ตามสับตามรูปแบบคือความระลึกได้ลักษณะความระลึกได้นี่ท่านว่าสติสติภาษาบาลีสติภาษาไทยแปลว่าความระลึกได้ระลึกเรื่องเก่าระลึกเรื่องใหม่นึกคิดเรื่องเก่านึกคิดเรื่องใหม่มันก็ทํางานรวมกันนั่นแหละ เราจะว่านึกก็ได้จะว่าคิดก็ได้จะว่าสติก็ได้แต่แปลตามตรงสติเราว่าความระลึกได้มันเกิดขึ้นสองลักษณะลักษณะหนึ่งมันระลึกได้เองเรื่องเก่าๆสมมติอย่างเรื่องอะไรก็ตามที่ก็ตามที่อยู่ๆ อ, อันโผล่มาอันนั้นโผล่มาหรือเราจะว่าสติก็ใช่เราจะว่าสังขารก็ใช่ทั้งหมดในรวมเป็นสังขาร อะไรที่โผล่ขึ้นมาในจิตทั้งหมดน่รวมเป็นสังขารท่านเรียกว่าสังขารจิตสังขารด้จิตหนึ่งเกิดขึ้นเองสองเราต้องดำริขึ้นเหมือนอย่างเรานึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เรานึกไม่ออกนึกนึๆนึกนึกบางทีนึกไปแล้วก็นึกออกเออนึกออกแล้วนี่สติคือความระลึกได้ความระลึกได้มันจะเกิดในลักษณะว่า มันระลึกขึ้นเองก็ตามมันจะเกิดจากระลึกด้วยการที่เราตั้งเหตุไว้เป็นการนำเองก็คือลักษณะของสติสติเป็นคุณสมบัติของจิตจิตคือผู้รู้จิตคืออะไรเราน้อมาที่ตัวเราทั้งหมดนี่เรามีผู้รู้ผู้รู้เราของเรานั่นแหละภาษาบาลีจะเรียกว่าจิตภาษาภาษาไทยสีกอย่างหนึ่งก็คือ ใจใจเป็นภาษาไทยจิตเป็นภาษาบาลีจิตตังใจจอไยใจถ้าเราจะไปเทียบกับต้นไม้คือใจกลางของต้นไม้ไปเทียบกับตัวเมืองใจกลางเมืองเียอะไรที่เป็นกลางๆางท่านมักจะเรียกว่าใจใจบางครั้งครูบาอาจารย์ท่านก็นเทียบมาที่แกนนำรูปธรรมนามธรรมของเราทั้งหมดคือใจใจกลางเนี่ท่านเรียกว่าใจ แต่ถ้าตามหลักภาษาบาลีจริงๆผู้รู้ของเราท่าเรียกว่าจิตก็ได้มโนก็ได้มโนแปลว่าใจจิตก็แปลว่าใจมนายตนาอย่างนี้ก็ได้หรือจิตตวิญญาณอย่างนี้ก็ได้หรือวิญญาณอย่างนี้ก็ได้หมายถึงตัวจิตเราดูไปที่ไหนดูที่ไหนก็ไม่เห็น ดูย้อนมาที่จิตของเราเนี่ยเราจะเห็นย้อนมาที่ใจของเราเราจะเห็นคือผู้รู้ผู้รู้หนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราพวกเราทุกค น, นมีผู้รู้หนึ่งเดียวนั่งฟังไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยริง่งถ้าเราไปย้อนตามกิริย า, าการที่พูดเราพูดเนี่พูดไม่ห่างไปจากไหนพูดอยู่รอบนี้แหละกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละย้ำอยู่นี่แหละ ผู้รู้หนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ปรากฏกับเราเรามาเทียบดูว่าถ้าเราไม่มีผู้รู้อยู่เหมือนอย่างร่างกายมีอยู่แต่ว่าเป็นศพเนี้ยเป็นคนตายแล้วไม่มีใจคือไม่มีจิตไม่มีผู้รู้ไม่มีอะไรรับรู้เหมือนดินเหมือนน้าเหมือนลมเหมือนไฟข้างนอกยังไงก็ย่งงางนั้นเป็นวัตถุ ก, ก้อนเดียวเท่า น, นั้นเองที่เรียกว่ารูปธรรมรูปธรรม อาศัยรูปธรรมอาศัยนามธรรมจิตของเรานะั่นน่ะตราบใดที่ยังเป็นอยู่มันจะวนเวียนไปการมาโลกรูปรโลกอรูปรโลกสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของใจนั้นจะไปปรากฏตามคุณส ม, ณสมบัติของภพของภูมิเช่นอย่างมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคุณสมบัติภายในจิตของมนุษย์ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นสติสติคือความระลึกได้ สัมพัชัญญาความรู้ตัวเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่เป็นฝ่ายดีของจิตแต่จิตคือผู้รู้ของเราทุกคนอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่อุบัติเกิดขึ้นมาลอยๆมีสิ่งที่ไม่ดีปลเปื้อนมาด้วยมีสิ่งที่เป็นมนทินผลเปื้อนมาด้วยคืออวิชชาตันหาอุปาทานรวมไปแล้วก็คือกิเลสกิเลสทั้งกระเรียกอวิชชาทังกะเรียกตันหาทังกะเรียก อุปาทานท่านก็เรียกกิเลสตัณหาอาวิชชาตัณหาอุปาทานท่านเรียกตามกิริยาอาการของมันแท้ที่จริงก็คือกิริยาฝ่ายไม่ดีของใจของเรานั่นเองพระพุทธเจ้าท่านทรงอุบัติมาด้วยเหตุที่ว่ามีผู้รู้มีจิตมีผู้รู้ผู้รู้หนึ่งเดียวนี้เองทําให้เรารับรู้ว่าดีไม่ดีสุขทุกข์ แต่ความยินดีความพอใจในเมื่อประสบความสุขเวลาประสบความทุกข์ไม่ยินดีไม่พอใจกิริยาอาการสองอย่างนี้เป็นกิริยาอาการที่ถูกแทรกเข้ามาไม่ได้ไม่ได้แสดงลักษณะกิริยาอาการตามหลักธรรมชาติที่ตรงไปตรงมาตามหลักธรรมชาติที่แท้จริงหากถูกสอดแทรกมากับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผลเปื้อนมากับปิดของเรา คือกิเลสคืออวิชชาสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยมันปนเปื้อนปนเปื้อนมาได้ยังไงจิตของเรากับกิเลสหรืออวิชชาตันหาปปาทานมันปนเปื้อนมาได้ยังไงหากมันเป็นธรรมชาติของมันเองมันพัฒนามาอย่างนั้นของมันเองเหมือนกับว่าผู้รู้ของเรานี่ถูกพัฒนามาตามหลักธรรมชาติ และมีสิ่งเหล่านี้ปนเปื้อนมาด้วยไม่มีใครไปฉาบทาให้เราไม่มีใครเอามาปนเปื้อนให้เราไม่มีใครเอามาจับมายัดเยียดให้กับเราไม่มีด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เรายินดีในสิ่งที่เคยพบเห็นแล้วก็ชุกชอบใจชอบใจในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบใจไม่ต้องการธรรมชาติมันเป็นมาอยู่อย่างนั้นเพราะมันพาเราทำให้เราเข้าใจผิด เป็นสื่อจากความเข้าใจผิดตามหลักที่พุทธิยถาท่านสอนแต่ที่แท้จริงหลักธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้เขามีอยู่อย่างนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้คือถ้าเห็นปั๊บถ้าดีเขาก็ชอบใจไม่ดีเขาก็ไม่ชอบใจความสุขความทุกข์ของเรามาตามนี้เองมาตามสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจนี้เองอันนี้คือเป็นส่วนของอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจชอบใจไม่ชอบใจแต่สภาวะ ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งมิมันมีทั้งนมามธรรมภาวะอันนี้คือรูปธรรมคือร่างกายของเราร่างกายของเราต้องมีตราบใดที่เรายังมีจิตยังมีผู้รู้อยู่ที่ยังไม่ได้ชะไม่ได้ล้างบริสุทธิ์เราเป็นสัตว์โลกทั่วๆไปเราจะวนเวียนไปในรูประโลกอรูประโลกกา ม, มาโลกรูประโลกอรูประโลกตามศัพ์ที่เสีเยบ ก, กา ม, มาโลกก็หมายถึงโลกมนุษย์โลก โลกมนุษย์โลกสวรรค์6ชั้นเนี่ยสวรรค์หกชั้นโลกมนุษย์แล้วก็ลอกอบายอยางี้อบายภูมิเนี่ยทั้งหมดนี้เทวาการมมาลกกรรมโล ก, ก, ามมาโลกยังวนเวียนอยู่ในกรรมพวกนี้อาศัยเกิดมาด้วยริดเดชของกรรมอำนาจของกรรมเยื่อใหญ่ของกามแต่ถ้าไม่มีริดไม่มีเดชไม่มีอำนาจของกรรมไม่มีความเยื่อใหญ่ในกรรมเหมือนอย่างผู้ที่ท่านปฏิบัติได้แล้วเช่นอย่างพระอนาคามีท่านไม่มาเกิด ท่านไปเกิดในภพอีกภพหนึ่งเป็นภพของผู้ที่บริสุทธิ์จะเรียกว่าสุทธาวาสสุทธาวาสเป็นพพภูมิของผู้บริสุทธิ์จิตหรือใจหรือผู้รู้ของเราแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นนะแท้ที่จริงตามหลักธรรมชาติมันก็มีแค่ดวงเดียวตามหลักอภิธรรมท่านก็เรียกกิริยาอาการของจิตนะท่านมาแยกแยะจิต ฝ่ายกุศลเท่านั้นดวงฝ่ายอกุศลเท่านั้นดวงฝ่ายโล ก, กุตตรธรรมเท่านั้นดวงท่านก็แยกแยะออกมาแท้ที่จริงนั่นคือกิริยาอาการของจิตทั้ ง, งนั้นแต่ท่านแยกแยะมาเพื่อให้เรารู้ให้เราเข้าใจเป็นเหตุเป็นประโยชน์เป็นผลเกื้อคูลแก่การตั้งใจศึกษาธรรมประพฤติธรมรมปฏิบัติธรรมตราบใดที่ผู้รู้อันนี้ยังไม่บริสุทธิ์ยังจะต้องวนเวียนไปอยู่วงเวียนไปในกามโลกรูปโลกอารูปโลกนี้เอง เกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดบนสวรรค์บ้างตกนรกบ้างาที่เกวการมาโลกในกามมโลกนั่นแหละมันมีทั้งกุศลมันมีทั้งอกุศลมันมีทั้งวิธีการเพื่อที่จะที่จะเข็ดลาบกับความทุกข์ที่เรามาประสบพบเห็นเพราะฉะนั้นจึงมีการออกบำเพ็ญเห็นไหพอไปบำเพ็ญปั๊บจิตได้รับความสงบได้ภูมิได้ชั้นของฌาน ฌานชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เนี่ยเวลาตายปั๊บไปเกิดในรู ป, ปรโลกพวกรู ป, ปรโลกก็คือพวกที่มีที่มีคุณสมบัติคือมีองค์ฌานอยู่อยู่ภย ใ, ใจมีภูมิของความสงบเพราะ ง, งั้นนี่อรู ป, ปรโลกก็คือพวกที่พิจนาอรูปฌานที่ท่านเรียกว่ารูปภพอรูปภ พ, บ, ปปพ บ, บางทีท่านก็เรียกว่า พบบางพบเนี่ยที่เราไปบัติถ้าหากเรามาไมาเ่เป็นพบเช่นอย่างเช่นอย่างพบ ท, ท, พบทพบพบบี่มีแต่รูปเนี่ยเช่นอย่างพบที่พบปไปบัติมีแต่รูปไม่มีนามมีแต่รูปไม่มีนามบางพบที่เราไปบัติ มีแต่นาำไม่มีรูปมีแตนาำไม่มีรูปก็คือพวกอรูปภพนั่นเองพวกอรูปฌานพวกอรูปรโลกไปไปอบัตในภพที่มีแต่รูปไม่มีนามอันนี้ไปอบัตมีแต่รูปจริงๆไม่มีนามคือนามไม่ปรากฏ อ, อันนี้เขาเรียกว่าพวกพรหมประเภทว่าอสัญญาสักอสัญญีสักคําว่าอสัญญีสักแปลว่า ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีความรู้สึกเกิดความรู้ว่ามีจิตรู้นู้นรู้นี้ไม่มีหากดำรงตนอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนผลไม้เหมือนอะไรอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถูกรักษาไว้ด้วยกรรมพวกพวกพวกรูปภพพวกกรรมภพก็ไปบัตเป็นเทวดาบ้างไปบัตเป็นมนุษย์บ้างไปบัตรเป็นสัตว์นรกบ้างหรือจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามาเกิดในภพ ที่มีขันห้าเนี่ยมาเกิดในภพที่มีขันห้าเช่นอย่างมนุษย์เราเนี่ยมีรูประขันมีเวทนาขันมีสัญญาขัน ม, มีสังขารขันมีวิญญาณขันที่เรียกว่าท่านเรียกว่าปัญจโวการมีอาการ5แล้วก็ประเภทเอกโวการก็คือพรมที่ว่าเป็นอสัญญีสัตวไม่มีความรู้สึกอยู่กับกับเนื้อกับตัวแต่พวกนี้เป็นพิษสงจากการพิจารณาฌานองค์ชาญ พิจารณาองคชาญไม่ถูกตามลักษณะเหล่านั้นเวลาดับชีพปาชนไปปั๊บไปเกิดเป็นอสัญญีสัตวแล้วก็จตุวการมเจตุวกรรมคือมีแต่อาการหอันนี้คือคือพวกอรูปภพแท้ที่จริงก็คือมันอันเดียวกันแต่จะเรียกชื่อไปแตกต่างกันเท่านั้นเองรูปโลกอรูปโลกกามโลกรูปโลกอรูปโลกมันก็อันเดียวกันกามภพรูปภพอรูปภพก็อันอันเดียวกันปัญจโวการ ปัญจโบกาลก็คือพวกที่ไปกําเนิดไปถือกําเนิดถือกําเนิดมีอาการห้าเหมือนอย่างมนุษย์เราสัตว์บางจําพวกเนี่ยพวกสัตว์บางจําพวกเช่นอย่างควายวัวเ ง, งี้ยมันออกรูปมาเป็นเป็นตัวเ ง, งี้ยที่ท่าเรียกว่าชลาพุชัชลาพุชัชชกําเนิดที่ท่าเรียกว่ากําเนิดชลาพุชะกําเนิดไปเกิดในครันบางทีท่านเรียกว่า อันทิชะเกิดในไข่เงี้ยไ ข, ไ, ขไข่เป็ดไข่ไก่เงี้ยนี่คือกำเนิดของสัตว์นะสังเสทิชะโอปะปาติกะสังเสทิชะพวกเกิดในเท่าใ น, ในใครในสิ่งสกปรกเช่นอย่างพวกหนอนพวกอะไรมันไปเกิดในที่เปื่อยที่เน่าที่อะไรตัวอะไรเนี้ยสังเสทิชะแล้วก็โอปะปาติกะนี่ท่านพูดถึงกำเนิดแท้ที่จริงก็าวนอยู่ในนี้แหละอยู่ในกาเมลโลกรูปรโลกอรูปรโลกสิ่งทั้งหมดนี้ผลิตผลไปจากอะไร ไปจากจิตคือผู้รู้หนึ่งเดียวนี่เองหากมันพัฒนาเป็นภพภูมิไม่มีจบไม่มีสิ้นหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนไปหากหมุนกลับไปหมุนกลับมาต่ำบ้างสูงบ้างยาบ้างละเอียดบ้างตามอํานาจของกรรมของพฤติกรรม ท, ที่เกิดจากการกระทําของตัวเองเน่เช่นอย่างมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดมาแล้วทําดีมีศีลมีธรรมเนี่ยไปอุบัติอีกก็ไปอุบัติเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์ชั้นผู้ดีเป็นมนุษย์ชั้นสมบูรณ์แบบหรือถ้ามีคุณสมบัติเพียงพอมีคุณสมบัติมากพอจะได้ไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนี่ก็ไปโผล่ขึ้นเลยไม่ต้องไปเข้าไม่ต้องไปออกจากท้องแม่ที่เรียกว่าโอปปาติกะกําเนิดกําเนิดผุดขึ้นไปผุดขึ้นไปต่อขึ้นเลยไม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อาศัยกรรมเป็นพ่อเป็นแม่แน่นี่คือกามโลกพวกสัตว์นรกก็เช่นเดียวกัน ไปก็ไปโผล่ได้เลยอ่าไปโผล่ขึ้นเลยไปเกิดไปถืกอกำเนิดตามบุญตามกรรมก็คือผู้รู้ดวงเดียวนี่แหละห่างมันพัฒนาไปจากพฤติกรรมที่เราทาไม่ดีก็ไปเกิดในพบภูมิที่ไม่ดีหากพัฒนาที่ดีจะมาเกิดในระดับมนุษย์หรือจะไปเกิดในระดับสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นก็นนนลอีเลียดลึกไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นพบภูมิทั้งหลายมีมากมายมหาศาล เกิดขึ้นไปจากอะไรเกิดขึ้นไปจากพฤติกรรมคือกิริยาที่เกิดขึ้นจากกายกรรมวิจีกรรมอานกรรมเท่านั้นเองมันจะพันกันไปหมดแหละกายกรรมเรามาสรุปมาที่ศีลเนี่ยที่ท่านให้จะให้เรารักษาศีลเพื่อที่จะมารักษาพฤติกรรมของเราให้ดีให้สะอาดให้บริสุทธิ์อย่าลืมว่ากายกรรมของเราจะสะอาดจะบริสุทธิ์ได้เราสามารถทําได้แค่ศีลห้าท่านให้เราสมาทานศีลห้า เราถือได้มั่นคงตามหลักของศีลห้าเราก็จะมีกายกรรมบริสุทธิ์ไหวจีกรรมบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พระพุทธพิในกามเนี่ยทาให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์ไม่พูดเท็จพูดอย่าพูดโซเสียดพูดเพย์เจอรวมไปถึงศีลในกรรมมาบททั้งสิบเราไปดูสิศีลกรรมบททั้ง10กายกรรมสาวจีกรรมสีมโนกรรมสามลองไปไล่ลงดงอันนี้ก็เป็นเหตุให้ไหวจีกรรมของเราบริสุทธิ์ไหวจีกรรม จะเป็นเหตุให้เราตกเป็นเหตุให้เราตกทุกข์ได้ยากได้บาปได้กรรมกายกรรมเป็นเหตุให้เราทุกข์ยากให้เราได้บุญได้บาปได้บุญได้กรรมเรื่องกายกรรมเรื่องวจีกรรมกําเนิดพบภูมิต่างๆที่จะไปอุบัติได้ก็จะไปอบัติตามพฤติกรรมที่เราทํานี้เองวิธีปฏิบัติเพื่อที่สํารวมระมัดระวังให้เกิดความบริสุทธิ์ในกรรมทั้งสามนี่มันจะพันกันไปหมดกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรม เพราะฉะนั้นต้องการให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์ท่านจึงให้รักษาศินต้องการให้วจัจจรกำของเราบริสุทธิ์เราต้องรักษาศินไม่พูดเท็จพูดหยาบพูดโสเสียดพูดเพื่อเจริรักษากายกรรมให้บริสุทธิ์ต้องรักษาสินไม่พูดเท็จพูดหยาบออไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เพ้อพุทธปีติกาไม่ดื่มสุราเม่อะไทั้ง5้าอย่างนี้มันเป็นโทษแต่มันเป็นโทษขั้นศินถ้าหากเราถือได้เคร่งตามนี้แน่ ทำให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์เรามองเห็นได้ด้วยตัวเราเองทําให้วิจีกรรมของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยด้วยการปฏิบัติของเราเองเรารักสามารถรักษากรรมวิจีกรรมของเราให้บริสุทธิ์ได้แต่หากเราล่วงละเมิดกายกรรมเป็นทุตจิตคือวิคือกายกรรมของเราไม่บริสุทธิ์วิจีกรรมของเราทุตจิตวิจีกรรมของเราก็ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็ Nem. คืออะไรก็คือเหตุว่ามีกมิเลสมาแทรกเข้ามามาแทรกเข้ามาที่ใจและให้เรามาแสดงออกที่กายแนะ่มีกิเลสแทรกเข้ามาที่ใจให้เรามาแสดงที่วายจาโดยเหตุที่กายที่วายจาของเราเนี่ยเป็นไป ส, ง için, ส, ง interior, สงูงสนนูงต่ําๆผิดศีลผิดธรรมบ้างมีศีลมีธรรมบ้างมีอะไรมีอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนี้จึงเป็นเหตุทําให้พชาตเราต้องเปลี่ยนไปอย่างไม่จบไม่สิน้นเราสามารถทําให้บริสุทธิ์ได้ด้วย ด้วยศีลห้าตั้งแต่รักษาศีลห้ากายกรรมวจีกรรมของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์ขั้นรักษาศีลคำว่ากรรมคำว่าพฤติกรรมคือกิริยาอาการการกระทําของกายของวาจาของเราเราจะกระดุกกระดิกพลิกแผลงจะทํำยังไงก็ตามกิริยากายเป็นกายกรรมกิริยาวาจาเป็นวจีกรรมแต่กิริยาบรรดาอย่างอื่นทั้งหมดไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีภัย แต่ถ้าเป็นกิริยาฆ่าสัตว์รักทรัพย์พระพุทิปณิกรมนี่ยมีเวรมีไัยมีบารมีกรรมท่านจึงไม่ให้ทําเพราะทําไปแล้วผิดศีลด้วยไม่ใช่ผิดศีลเฉยๆมีเวรมีภัยมีบารมีกรรมพูดเท็จพูดอยาพูดส่อเสียก็เช่นเดียวกันผิดศีลด้วยเป็นเวรเป็นไัยเป็นบาปเป็นกรรมเวรไัยบาปกรรมนี่แหละมันจะทําให้เราหมุนไปในโลกไม่รู้จบจบไม่รู้จักสิน้นอันนี้เรามาศึกษาดูพื้นฐานของเราก่อนพื้นฐานของเรามีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ อาศัยเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวจิตหนึ่งเดียวนี่แหละที่เราไม่สามารถจะมีสติจะมีปัญญาจะพัฒนาจะฟื้นฟูอะไรใ ห, ให้เกิดขึ้นให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาประสบพบเห็นเหมือนอย่างเราได้รับความสุขเหมือนอย่างเราได้รับความทุกข์เหมือนอย่างพวกเราแต่ความปรารถนาความนึกความคิดความต้องการของคนเรานั้นอาจจะแตกต่างกันไปนานาจิตต่างพระาะมีความ ชอบธรรมที่เราจะมีความนึกมีความคิดที่จะตั้งใจปฏิบัติเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะเห็นเพื่อที่จะกําจัดสาเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้หมดไปจากพระชัยของพระองค์เพราะฉันจึงมีการตั้งปณิธานเห็นไหมตั้งความปรารถนากว่าจะได้มาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่พระองค์ต้องสร้างบุญญาบารมีมากมายมหาศาลประเภทสอสงไขยแสนมหากัปเนี่ยประเภท8อสงไขยแสนมหากัปประเภท16อสงไขยแสนมหากัป อสองไข่หนึ่งสงไข่หนึ่งนานเหลือเกินไอแค่กับหนึ่งกับหนึ่งนี่โอ้เนิ่นนานสิจนเราดูแต่พัทรกับพัทรกับที่พวกเราอยู่นี้มีพระพุทธเจ้ามาบัตั้งห้าพระองค์เดี๋ยวดตอนนี้ก็ยังยังอยู่ยังเป็นพัทรกับอยู่พระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วสี่พระองค์ยังเป็นพัทรกับอยู่เราดูสินานเนิ่นนาสักเท่าไหร่แต่ท่านพูดไว้ว่าบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าไปบัตเลยบางกับ มีพระพุทธเจ้าไปอบัตสององค์บ้างสามองค์บ้างเนี่ยแต่พวกเราโชคดีมากเราเกิดในกลับที่ที่เรียกว่าพัดรกับพัดรกับเป็นกับที่งามมีพระพุทธเจ้ามาอาบัดมากเป็นกับที่งามแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นประเภทปัญญาที่กัปพูดถึงอายุไขของพระองค์แค่แปดสิบแปีมีอายุน้อยมาเกิดในยุคที่โลกมีสัตว์มีอายุน้อย ตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระเสียรยเมีตรายท่านจะเมาวัดในยุคที่มนุษย์มีอายุสองหมื่นปีเนี่ยแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยมนุษย์สัตว์จะมีอายุไม่เท่ากันเพราะบุญญาบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันการที่ท่านจะมาวัดนั้นท่านก็จะต้องเลือกอีกดูพ่อดูแม่ดูตระกูลดูอายุดูทวีปดูอะไรตัวอะไรไปหมดคนที่ท่านจะมาวัด แต่ก่อนที่ก่อนนั้นตั้งความปรารถนาปรารถนาแล้วเต็มแล้วรอจังหวะโอกาสที่จะม า, าบัดต้องต้องดําริ ถ, ถึงที่เกิดดําริ ถ, ถึงพ่อถึงแม่ถึงตระกูลถึงทวีอเงี้ยถึงอายุของศักด์เหมาะสมขนาดไหนเพียงใดกับบุญญาบา ร, รมีของพระองค์แต่ละพระองค์กว่าพระองค์จะสร้างบําเป็นบา ร, รมีมาเต็มเปี่ยมเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราพวกเราก็ได้ยินได้ฟังพุทธประวัติเนะี่ยทําให้เราได้ยินได้ฟัง ว่าพระองค์มีจิตขวนขวายประกอบไปด้วยมองเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเนื่องจากวัดแต่ละพบแต่ละชาติมาก็เค็ดลาบเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุดนบันดาลให้ตั้งอกตั้งใจขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้เสียสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างสมมุติว่าให้ทานทานบารมีให้วัตถุสิ่งของให้สมบัติให้สมบัติตจั ก, กรพรรดิทั้งหลายทั้งปวกให้ได้หมด วัตถุภายนอกเสียสละได้หมดเสียสละได้แม้กระทั่งกระทั่งลูกโอรดธิดานี่เสียสละได้แ ม, ม้กระทั่งภรรยาเนี่ยมาเหสีเหมือนอย่างสมัยเป็นพระเวสสันดรเนี่ยเสียสละลูกเสียสละเมียว่างั้นเถอะเสียสละได้หมดของนอกกายนอกจากนั้นแล้วแม้แตอ่อวัยวะภายในกายก็สามารถเสียสละได้ทานอุ ป, ปบารมีเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต พระพุทธเจ้าของเราเสียสละได้ไหมกระทั้งชีวิตเช่นอย่างพระองค์เคยเกิดเป็นกระต่ายนีย่โดดเข้ากองไฟให้เปลี่นอาหารของดาบดอยู่ในปา่าโดดเข้าไปตายในกองไฟบทที่ให้เปลี่นอาหารของดาบดอยู่ในปา่าของฤาษีอยู่ในปา่านให้ชีวิตเป็นทานมีผลเมียนในสง์เป็นขั้นทานปรามัตตบา ร, รมีเมียนในสงนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงพูดถึงบารมีทานศีลในกามปัญญากิริยะ ขันติสัจจะอธิษฐานนี่คือบารมีทั้งสิที่พระองค์ทรงสร้างมาเพื่อที่จะได้มารู้หลักความเป็นไปของธรรมชาติอันนี้ที่เราพยายามพูดเนี่ยราพยายามพูดถึงเหตุเพื่อที่จะได้มารู้ถึงว่าจิตใจมาพลอขึ้นเป็นเราเป็นท่านอยู่เดี่ยวนี้มาจนถึงวิธีที่จะปฏิบัติตามที่พระเจ้ทาท่านได้ตรัสรู้ตามที่พระองค์ทรงตั้งปณิธานและเอาธรรมะเหล่านี้มาบอกมาสอนพวกเรา พอถึงการถึงคราวที่พระองค์จะตรัสรู้ในวันเปลี่ยนเดือนหกเราก็ดูสิพระธมยามพระองค์ไปเรียนรู้มาหมดไปฝึกทรมานอย่างนั้นทรมานอย่างนี้แล้วก็ที่เรียก ว, ว่าอัตเกตละอัตตะกิลมาาัฏฐานย่อคือทรมานกายให้เหน็ดเหนื่อยเปล่าแล้วก็ไปฝึกไปฝึกสมาธิกับอุทกกดาบทอาราระดาบทไปฝึกกับอาราระดาบทได้สมาบัติเจ็ ไปฝึกกับอุทกกระดาบทได้สมาบัตแปดซึ่งพระองค์เรียนไปเรียนจบภายในระยะเวลาที่ไม่นานคาว่าสมาบัตสมาบัตรูปสมาบัตอรมูปสมาบัตในที่นี้หมายถึงภูมิชั้นความสงบของจิตคือรักษากายให้บริสุทธิ์ได้ด้วยด้วยศีลรักษาวาจาให้บริสุทธิ์ได้ด้วยศีลกายกรรมวิจีกรรมรักษาให้บริสุทธิ์ได้ด้วยศีลแต่ยังเหลือใจอไม่สนใจเรื่องกาย เรื่องวายชาคำพูดแล้วแหละตั้งใจสัมรวมระ ม, มัดระวังสัมรวมระ ม, มัดระวังได้แต่กายสัมรวมระ ม, มัดระวังได้แต่วาจาแต่ตัณหาที่มันมากับผู้รู้ของเรานะ่ยมันดีดดิ้นอยู่ที่ใจในเมื่อมันดีดดิ้นอยู่ที่ใจวิธีการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญจนได้ตรัสรู้เกิดภูมิรู้ภูมิเห็นมากมายมหาศาลที่จะเอาภูมิรู้เหล่านี้วิธีการเหล่านี้อุบายต่างๆเหล่านี้มาบอกมาสอนให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เรงจึงมาเข้าหลักที่ท่านเรียกว่าสมถะวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาจึงเข้าหลักอริยมรรคมีองแปดศีล ส, สมาธิปัญญาเน่ศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาโดยเฉพาะพื้นเพของจิตมันมีคุณสมบัติอยู่ในนั้นมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามีอะไรต่ออะไรสารพัสมีขันติมีโสราจะมีอะไรตามชื่อที่ท่านเรียกเอาไว้ สิ่งใดก็ตามที่เป็นคุณสมบัติฝ่ายดีสิ่งเหล่านี้จะเกื้อกูลกับจิตของเรากับผู้รู้ของเราสิ่งใดที่เป็นคุณสมบัติไม่ดีเช่นอย่างความโลภความโกรธความอิจฉาทีิเสีความพยาบาทเงี้ยรวมไปถึงกามมาราคะทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุยั่วยุให้ความโลภยิ่งเกิดขึ้นมากยั่วยุให้ยิ่งความโกรธเกิดขึ้นมากสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นฝ่าย ไฟที่เป็นโทษที่ปนเปื้อนมากับผู้รู้ของเราพระองค์มาให้ความสําคัญมาให้ความหมายว่าตันหาตันหาถ้าเราไปดูในหลักปฏิจจสมุปบาทเราจะหมดข้อข้องใจปฏิจจสมุปบาทนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงทบทวนนะหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้ทรงเสวยวิมุติสุขอยู่ในบริเวณต้นพระศรีมหาโพน่ะในที่เจ็ดแห่งแห่งละเจดวัน มีอยู่ที่ที่หนึ่งที่พระองค์ทรงไปรำพึงแล้วก็ทบทวนถึงความรู้ที่พระองค์ได้ตัดสรุปมาทรงพิจารณาถึงหลักปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นด้วยอวิชชาเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้เราเกิดเป็นเหตุเราตายกันแน่เนื่องจากว่าปฐมยามพระองค์ก็เกิดญาณทัศนารู้เห็นพบชาติของพระองค์ไม่จบไม่สิน้นระลึกได้เป็นอสงไขยกลับโอ้ระลึกได้เป็นอสงไขยอสงไขยระลึกได้เป็นอสงไข่กลับ เราลึกได้เป็นกับกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับเป็นอสองไขกับแล้ลึกย้อนหลังไปไม่รู้จักจบไม่รู้จากสิ้นแสดงว่าพบชาติแต่และพบแต่ละชาติที่ผู้รู้คือจิตดวงนี้มันไปจับจองมันยืดยาวมาเนิ่นนานมารู้มากมายมาหาศาลขนาดไหนแล้วลึกย้อนไปทจะได้เห็นหมดแต่ด้วยบุญญาบา ร, รมีที่พระองค์ตั้งความปรารถนานี้เองทําให้จิตได้รับความสงบเกิดพิจารณาเกิด ความรู้เกิดยานไม่ใช่ชาติเกิดยาณทัศนะเห็นพบชาติของพระองค์เองเกิดตายเกิดตายเกิดตายในในปฐมยามในมัชชิมยามจากทรามกลางเห็นพบชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายทั้งพระองค์ทั้งสัตว์ทั้งหลายนั้เกิดตายเกิดตายด้วยอํานาจกรรมกรรมดีไปอยู่ในที่ดีกรรมไม่ดีไปอยู่ในที่ไม่ดีไปเกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรต่อไรก็ตาม เป็นไปด้วยอํานาจของกรรมเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทะลุปลุกปลองรู้ทั่วถึงไปหมดเลยนี่เห็นว่าพระจิตของพระองคเ์เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เกิดด้วยอํานาจของกรรมนี่พิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทอาวิชาด้วยเหตุที่ไม่รู้นั่นเองจึงทําให้เราเนี่ยไปทําพฤติกรรมทุกอย่างเช่นอยากไปฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าฆ่าสัตว์แล้วเป็นโทษไปลักทรัพย์ไม่รู้ว่าลักทรัพย์เป็นโทษประพฤติผิดในกรรม ที่ เ, เ, เ, เ ข, า เ, ข, า, เข า, าเรียกว่าผิดประเวณีผิดประเพณีผิดลูกเขาเมียเขาผัวเขานี่เขาเรียกว่าผิดประเพณีทําได้เพราะไม่รู้มีอยู่จิตคือผู้รู้รู้อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นขุนหรือเป็นโทษวัตถยากวัตถยากแล้วก็ทําในที่สุดก็เลยทําตามความอยากความอยากนี่แหละที่เขาเรียกว่าตันหาตันหาตันหาภาษาบาลีถ้าเราจะมาแปลเป็นภาษาไทยแปลปว่า ความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจใจไม่หยุดใจไม่อยู่นิ่งดิ้นรนทะเยอทะยานแปลว่าความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจเรื่องความอยากนั้นเป็นเรื่องของตัณหาตัณหามันมีอยู่ที่ใจของเรามันแทรกมาที่ใจของเราพระองค์ทราบแล้วว่ากายกรรมรักษาบริสุทธิ์ได้ด้วยการตั้งใจรักษาสินวจีกรรมตั้งใจรักษาบริสุทธิ์ได้ด้วยการรักษาสินยังเหลือใจใจดีดดิ้น ด, ดดีินเพราะฉะนั้นด้วยเหตุที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาได้ทั้งรูปปัสมะบัติอรูปปัสมะบัติเห็นว่าการเข้าความสงบนับตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจนถึงอรู ป, ปรสมะบัติหรือสมะบัติทั้งแปนั่นแหละสามารถสงบระงับดับตัณหาได้สงบระงับได้ตัณหาจะดีดดิ้นในหัวใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสงบระงับกายกรรมวจีกรรมของเราทําให้บริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ได้ บริสุดจากกิเลสนะสิ่งที่ทําให้จิตของเราเนี่ยปนเปื้อนมัวหมองอคือมันพันกั น, น่ะจิตของเรานึกไม่ดีคิดไม่ดีไปทํากายกรรมไวจีกรรมมโนกรรมไปทํากายกรรมไวจีกรรมมโนกรรมจิตของเรานึกไม่ดีถึงแม้ว่าจะไม่เอากายกรรมไปสนองมันไม่เอาไวจีกรรมไปสนองมันแต่มันก็ดีดดิ้นอยู่ที่ใจดีดดิ้นอยู่ที่ใจสามารถสงบระับได้ด้วยอํานาจของ อารมณ์ฌานอารมณ์ฌานนี้อารมณ์ฌานนี้คืออารมณ์ที่เป็นธรรมเป็นบทธรรมเอามากํากับที่ใจเพื่อที่จะมาหยุดความดีดดิ้นของจิตที่เป็นเรื่องของตัณหาที่มันแทกเข้ามาที่หัวใจของเราตัณหามันดีดดิ้นที่หัวใจของเรามันแทกมาที่หัวใจของเราหากมันชอบเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องอะไรที่มันชอบที่สุดมันก็นึกมันก็คิดมันก็ปรุงเรื่องเหล่านั้น นึกคิดปรุงไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นเป็นเหตุเกิดกิเลสเพิ่มพูนทวีคูณอยู่อย่างไม่หยุดไม่หย่นพรุจยาสงบระ ง, งับที่กายที่วิญาได้ยังเหลือจิตสงบระ ง, งับที่จิตได้ด้วยอารมณ์ฌานแน่อารมณ์ฌานก็คืออารมณ์ของความสงบเราจะสงบอย่างเดียวท่านเรียกว่าสมถะสงบด้วยพิจารณาด้วยท่านเรียกว่าวิปัสสนาหรือท่านเรียกว่า สงบระงับได้อย่างเดียวท่านเรียกว่าสมาธิพิจารณาด้วยคือปัญญาวิธีการสองอย่างสาอย่างนี้เองเป็นวิธีการที่จะมาหันหน้าจอก็บอกมาต่อกอน ก, นกันกับเจ้าตัญหาที่ปนเพื้อนมากับใจของเราคือใจดวงนี้มีพฤติกรรมเป็นมาอย่างนี้สามารถสงบระงับได้ด้วยอย่างนี้อันนี้เป็นผลเป็นความรู้เป็นพระปัญญาเป็นพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้า แต่ไม่ใช่หับเสือมือเปล่าไม่ใช่หยับเสือมือเปล่ า, เ, ลาเกิดขึ้นได้ด้วยบุญญาบารมีสร้างคุณงามความดีมานับไม่ถ้วนเป็นอสงไขยกับทีเดียวถึงจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างคอยได้คอยได้แม้กระทั่งชีวิตก็เสียสละคอให้ได้สิ่งเหล่านี้มาแน่ในที่สุดพระองค์ก็ประสบผลสําเร็จพระที่เจ้าท่านจะปรารถนาะเป็นประเภทประเภทใดก็ต า, าม จะต้องต่อสู้มาอยู่อย่างนี้แต่ก็ต้องเป็นคนที่ใจเด็ดยิ่งกว่าเพชรตั้งความปรารถนา ด, นดิ่งแน่วเดียวเป็นสมาธิิไม่ยอมเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นกว่าจะบรรลุผลสําเร็จนี่คือพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเอาอันนี้มาเกี่ยวข้องมาตั้งไว้เป็นเป็นหลักเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราศึกษาให้เกิดความรู้ก็ให้เกิดความเข้าใจง่ายอาวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ว่าทําอะไร เป็นเหตุให้เรากายกรรมของเราบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์วิจีกรรมบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มโนกรรมของเราบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ท่านจึงเรียกว่าอวิชชาวิชชาเพราะอาวิชชานี่แหละเป็นปัจจัยให้เราพันไปในโลกทั้งสามโลกนั่นแหละการมรรครูปโลกอรมณ์ภโล ก, ล ก, ปโลกเป็นปัจจัยเกิดสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารจะพัฒนาไปไม่หยุดไม่ย่อนอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณแน่วิญญาณก็คือ คือผู้รู้ของเราเนี่แหละวิญญาณวิญญาณคือผู้รู้ผู้รู้ของเรามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราทราบไม่ได้เรารู้ไม่ได้แต่มันหากพัฒนามาตามระบบตามระบบของมันท่านจึงว่าสังขารมันเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ยมันก็เกิดมาจากการพัฒนามีการพัฒนามาของมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเห็น ไ, ไหมมันแสแวงหาบางพบมันมีทั้งรูปทั้งนามบางพบมีทั้งรูปไม่มีนาม บางพบมีแตนาไม่มีรูปนีมีแตนามไม่มีรูปก็คือมีมีต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พวกนี้ปิกเจริญฌานอยู่ในระดับที่สูงมากนะฌานระดับฌานที่4นั่นแหละทั้งประเภทว่าสัตว์มีตรูปไม่มีนามทั้งประเภทสัตว์ที่มีแตนาไม่มีรูปเพราะเขาเจริญฌานสี่ไม่ได้พิจารณาเห็นในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เกิดความเบื่อหน่ายตามหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ชอบใจรูป ในเมื่อไม่ชอบใจรูปเวลาไปโบัตก็ได้แต่นามในเมื่อไม่ชอบใจนามเวลาไปโยบัตก็ได้แต่รูปมันเกิดขึ้นจากการเจริญฌานแต่เจริญฌานผิดเจริญฌานไม่ถูกจนฌาเจริญฌานไม่ถูกหลักแท้ที่จริงหลักของฌานก็คือแค่สงบระงับดับแค่สงบระงับตันหายให้นิ่งให้หยุดอยู่กับที่เท่านั้นเองยังไม่ได้พิจารณาให้เห็นเหตุปัใจจัยให้เห็นต้นตออะไร เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ได้ให้ตามให้ได้ตามกรรมตามพฤติกรรมที่ทำนั่นเองอจึงไปได้อยู่จึงไปได้อย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาเห็นเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้สงบระงับดับตัณหาได้เป็นปัจจัยเกิดรูปเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามเป็นปัจจัยเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายใน เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันก็มาสัมพันธ์กับอายตนะภายนอกเป็นปัจจัยเกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยเกิดผัสสะสัมผัสกันกระทบกันผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเราไล่มาให้สุดเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดพบเป็นปัจจัยเกิดชาติ เรามาไล่ดลูไล่ดูตามนี้แล้วเราจะเห็นเหตุปัจจัยมาส่งช่วงกันมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงแต่เวลาเขาเกิดนะแช็กเดี๋ยวก็ถึงกันหมดแต่พระเจ้ามาแยกแยะให้พวกเราศึกษาให้เกิดความวรู้ให้เกิดความเข้าใจเราจะได้พิจารณาปรองลงตามนี้มันเป็นกรีหมายป้ายทางที่จะทําให้เรารู้ที่ไปที่มาของกองทุกทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บทุกตายทุก ค, คร่ำครวญวิโยคเศร้าโศก อศร้าโศเหื่อแห้งระทมตรมตรอมใจสรพัดเกิดขึ้นจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นี่เราพิจารณาตามนี้เราจะเห็นหลักที่พุทธเจ้าท่านท่านท่านท่านตั้งไว้ให้พวกเราศึกษาทีนี้เรามาพูดถึงสมถะกับพิปัสนาสมถะก็คือการทําใจให้สงบการทําใจให้สงบนั้นเราจะต้องเอาอารมณ์ที่เป็นธรรมมาบริกรรมต้องอาศัยสติเป็นหลักเราดูไปที่สติ สติดังที่ประทับตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละสติอยู่ๆคือความระลึกได้ตามหลักธรรมชาติเพราะมันหนึ่งระลึกได้โดยโดยลําพังตามหลักธรรมชาติสองระลึกได้เพราะเราเราเริ่มต้นนึกคิดอย่างนั้นในที่สุดระลึกได้ในที่สุดก็คิดได้คือความตื่นรู้ของจิตแนวโร่หนึ่งเดียวนั่นแหะคือตัวคือตัวจิตของเราที่มีสติอยู่ในสติ กำกับจิตคอบควบคุมจิตปกติท่านบอกว่าจิตนั้นเป็นแต่ภาวะที่รู้รู้ที่เรียกว่าท่ารู้ท่ารู้ถ้าหากไม่มีสติจิตก็นั้นจิตดวงนั้นก็สักที่ว่ารู้อยู่นั้นไม่มีสติไม่ได้รู้ว่ารู้ดีรู้ไม่ดีรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีเพราะฉะนั้นตัณหามันจึงแทรกเข้ามาได้ตัณหาแทรกเข้ามาได้ด้วยเหตุนี้เอง เป็นเหตุว่าพวกเราได้ผู้รู้มาด้วยกันทุกคนผู้รู้ของเรากลายเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราจะต้องมาเกียรนัยจะต้องมาถลุงจะต้องมาสักมาเฟาะมาชะมาล้างมาเกียรนัยถ้าเราจะเทียบไปแล้วเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นนักเกียรนัยจิตของเราให้ถึงความบริสุทธิ์เกียรนัยสิ่งที่ปนเปื้อนมากับจิตให้หมดไปเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวในที่สุดพระองค์ก็ ทำได้ประสบผลสําเร็จเห็นไหมพุทธเจ้าประสบผลสําเร็จสามารถาชะล้างอาวิชชาตันหาอุปาทานออกไปจากพระจิตของพระองค์ได้เหลือแต่ถ้ารู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวถ้ารู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนี่คือพระจิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกจิตที่ไม่บริสุทธิ์นั้นน่ะคือจิตที่ปนเปื้อนกับกิเลสจึงกลายเป็นกองสังขารกลายเป็นสังขารรูปกับสังขาร น, นาม สังขารรูปปัจจุบันประกอบกันอีกก็เป็นกองสังขารนี่คือกองสังขารคือชื่อว่ากองสังขารนาก็พัฒนาไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นการที่เราจะเบื่อหน่ายในภพในชาติเพื่อที่เราจะไม่อบัติจะต้องไม่ไปเกิดอีกเพื่อจะเป็นเหตุให้ทุกข์ให้แก่ให้เจ็บให้ตายจําเป็นว่าจะต้องศึกษาจะต้องพิจารณาจะต้องเจริญสติจะต้องเจริญปัญญาเพราะฉะพระพุทธเจ้ า, า จ, าจาึงสอนวิธีการของเราหนึง เราสลัดสละทีเดียวไม่ได้ขาดแต่ให้เราสงบระ ง, งับให้หยุดอยู่กับที่เสียก่อนคือไม่นึกไม่คิดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสรรสตามสัมผัสที่มันตกเป็นสัญญาอารมณ์ที่อยู่ภายในใจของเราสองเวลาเราตื่นรู้ที่จะเรียกว่าวิถีจิตวิถีจิตจิตขึ้นสู่วิถีรู้จักไหมวิถีจิตวิถีจิตก็คือจิตขึ้นสู่เส้นทางกระบวนการกเหมือนเช่นอย่าง จิตออกมารับรู้ทางตาอย่างเงี้ยรับรู้ทางหูทางจมูกเงี้ยท่านให้มีสติกำกับจดจ่ออยู่คำว่าสติกำกับจดจ่ออยู่ก็คือพยายามเอาสติมาปลุกจิตคือผู้รู้นี่ให้ตื่นโร่อยู่ให้รู้อยู่หนึ่งเดียวมาใช่เห็นเห็นเป็นดีดีแล้วก็ชอบใจเนเห็นว่าไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบใจคำว่าดีชอบใจมันตกไปข้างอานาจของตัณหา ดีเห็นแล้วไม่ชอบใจก็ตกไปทางอำนาจของตันหาเพราะตันหาเนี่ยมันจะชอบสิ่งที่มันชอบใจมันไม่ได้เป็นเห็นเป็นหลักธรรมชาติของมันมันไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีแล้วไม่ชอบใจเห็นสิ่งที่ดีแล้วอยู่เฉยเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วอยู่เฉยมันจะยินดีในสิ่งที่ควรยินดียินร้ายในในสิ่งที่ควรยินร้ายแต่ลักษณะการรายงานนั้นเป็นการลัก การรายงานลักษณะเท็จกับผู้รู้ที่ออกไปทํางานเพราะฉะนั้นตัญหามจึงแทรกเข้ามาได้พระพุทธเจ้าท่านทรงวางหลักใหญ่เอาไว้มหาสติมหาสติมันจะมีครอบไปหมดมันจะมีครอบไปหมดเนี่ยท่านจึงให้เราพิจารณากายเราพิจารณาได้ทั้งส่วนสมถะพิจารณาได้ทั้งส่วนวิปัสนาพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเพราะทั้งสี่ ทั้งสี่ช่องนี้แหละเป็นช่องทางที่ตันหามนมันแสดงตัวออกมามันแทรกเข้ามามันพาดพิงมาที่กายมันพาดพิงมาที่เวทนามันพาดพิงมาที่จิตและมันพาดพิงมาที่ธรรมเวลาเราอยู่หน้า ง, งานสมอเราตั้งใจภาวนาะให้ใจสงบหรือเราอยู่หน้า ง, งานในขณะที่เราทำงานงานต้องขีดต้องเขียนงานต้องนึกต้องคิดงานต้องวางแผนใคร่ครวน าวางแผนระยะสั้นวางแผนระยะยาววางแผนอยา่วางแผนละเอียดการวางแผนทั้งนี้ระวังแผ น, นระวังแผนเรามีหลักอะไรเราต้องมีหลักเหตุผลเป็นขั้นประกันถ้าหากเราดูหลกหลักปฏิจจสมุปบาทให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราก็จะเรียนแบบเหตุปัจจัยเหล่านี้แหละสมมติหลังงานการข้างนอกที่เราทําอยู่อย่างเงี้ยการทําหากินวิช า, ช, า, ช, าชีพอย่างนั้นวิชาชีพอย่างนี้เหมือนอย่างที่พวกเราทําอยู่อย่างเงี้ย ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นเราจะต้องมาวางแผนว่าเหตุอันนี้เป็นไปเพื่อผล น, น, นั้นเหตุอันนั้นเป็นไปเพื่อผล น, น, นั้นเหตุอันนั้นเป็นไปเพื่อผลอันนั้นเปลี่ยนไปเพื่อผลอันนั้นเราก็วางแผนอย่างนี้แล้วก็ว ก, กะเกณไปแล้วก็วางแผนได้แล้วลเราก็ดําเนินการตามนั้นแต่งานที่พุทธเจ้าให้ทํานั้นท่านให้ทําเพื่อละความอยากคือตัณหาท่านไม่ให้ไม่ให้ให้ทำเพื่ อ, อย่างอื่น <ส breaking S 1> การที่จะเห็นขันทั้งหลายเนี่ย เป็นเหตุให้เกิดความเบือ่อความหน่ายคลายจางอย่างจริงจงังถึงขั้นละขั้นปล่อยขั้นวางขั้นเบื่อหน่ายคลายจางแล้วก็หลุดแล้วก็พ้นไปได้นั้นจะต้องดูให้เข้ากับหลักที่พระพาทาท่านสอนคือหนึ่งสมถะกำหนดจิตให้สงบเข้ามาอย่าลืมว่าจิตที่สงบนั้นจะเป็นจิตที่มีกําลังจะเป็นจิตที่มีพลังจิตที่สงบก็คือจิตที่มีสติถ้าไม่มีสติตัวเดียวจิตจะสงบไม่ได้จิตที่จะมีปัญญา จิตจะมีปัญญาไม่ได้ถ้าจิตขาดสติตัวเดียวสติตัวเดียวทำให้สม า, สมาธิเราก็เจริญได้ทำให้ปัญญาเราก็เจริญได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านมาทรงตั้งเอาไว้เป็นมหาสติครอบคลุมทั้งหมดเลยเราต้องรู้จักสติระลึกย้อนมาดูที่จิตของเรากากับที่จิตของเราความรู้สึกนึกคิดกาหนดจดจอ่อเอาความเพียรมากำหนดจดจอ่อเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธเนี่ย เราต้องการผูกจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์ธรรมที่เราพูดโทพูดโทรการที่เราตั้งอกตั้งใจทำนี้แหละท่านว่าเป็นแบบอย่างแบบอย่างทําไมาจึงว่าเป็นแบบอย่างพระพุทธเจ้าท่านปลูกฝังมาอย่างนี้สมถะท่านให้ทํามาอยู่อย่างนี้ให้ดํามฤเรื่องเดียวเนี่ยบริกรรมเรื่องเดียวท่านใช้คําว่าบริกรรมบริกรรมบริกรรมคือทําซ้ําๆซ้ำๆเช่นอย่างพุทโธพุทโ t h ี่ก็ให้เราระลึกมีสติกํากับอยู่กับผู้รู้ของเรา ให้ผู้รู้กับจิตกับคําบริกรรมนี่ยเป็นหนึ่งเดียวไม่คลาดจากกันบางครั้งมีแต่คำบริกรรมกับจิตมีแต่คำบริกรรมกับจิตขาดขาดความรู้สึกคําว่าขาดความรู้สึกในที่นี้คือขาดสติมันนั่นเถอะมันทําได้นะเช่นอย่างปาระมุมิมุมิบเหมือนอย่างเราสวดมวนต์เราสวดจนคล่องเนี่ยบางทีปากเราสวดไปจิตของเราเล็ดลอดไปไ ป, ไปคิดเรื่องอื่นนี่มันทําได้มันเป็นไปได้ การบริกรรมให้จิตของเราตื่นร่อยู่นั้นน่ะผู้รู้หนึ่งคำบริกรรมหนึ่งสติผู้ปลุกจิตคือผู้รู้ให้ของเราให้ตื่นรอยู่นั้นหนึ่งกากับอยู่ด้วยกันอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอยู่กับอารมณ์ที่ว่าพุทโธพุทโธวิตกคือความตริคือความนึกขึ้นพุทพุทธเนี่ยพุทธที่เรียกว่าตรึกตรึกที่เาเรียกว่าวิตกทีนี้วิจารตรอง ตรงก็คือประคองเอาอะไรมาประคองเอาสติละนึกก็เอาสตินั่นแหละประคองที่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะตั้งสติขึ้นมาปั๊บสัมปชัญญะประคองประคองอะไรประคองอารมณ์ให้อยู่กับจิตของเราให้จิตของเราตื่นรูอยู่จิตของเราจะตื่นรูอยู่กับอารมณ์ได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์ถ้าสองอารมณ์สอารมณ์มาปรากฏที่จิตดวงนั้น จะไม่ชัดสักอย่างอารมณ์ใดก็ไม่ชัดสักอย่างเพราะฉะนั้นอารมณ์สถมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามถ้าไม่ใช่อารมณ์หนึ่งเดียวจะไม่ได้ผลต้องเป็นอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์หนึ่งเดียวจิตยิงจะสงบได้แม้จะสงบอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวิตกวิจารณ์คือความตรึกก็ตามคือสามารถสงบได้ในขณะที่สงบอยู่นั้นตัณหาจะแทรกจิตของเราไม่ได้ปกติตัณหามันคอยที่จะแทรกเข้ามาที่จิตของเรา อาศัยสติมีสติกำกับทุกขณะจิตในการทํางานนะกำกับทุกขณะยังไงเช่นอย่างพุทธเราดาริพุทธคาต่อไปคือโทแล้วประคองประคองจากพุทธไปหาโธประคองจากโธไปหาพุทธประคองจากพุทไปหาโธประคองจากโธไปหาพุทธ ไ, ไม่ให้ความรู้สึกอันนี้มันขาดเนี่ยทำไปทําไปทําไปจนจิตมันอิ่มอิ่มอารมณ์ก็จิตมันจะทิ้งอารมณ์ ทิ้งคำว่าพุโทโธพุธโทโธเพราะเพราะมันทำเต็มที่แล้วมันอิ่มมันอิ่มอารมณ์เป็นเหมือนกันนะจิตของเราอ่าเพราะฉะนั้นในหลักของความสงบขั้นต้นท่านจึงพูดถึงวิตกวิจารปีติสุขเอกกตามันมีปีติด้วยมันมีความสุขด้วยอันเกิดขึ้นจากการที่จิตของเราอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราจะต้องประคองสติของเราให้ให้ทำได้อย่างต่อเนื่อง ทุกขณะจิตเราสังเกตดูในจิตของเราดูเหมือนมันจะเป็นขณะขณะนะขณะออกมาขณะของจิตขณะของจิตแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันปรุงออกมาตามสังขารจิตนะมันปรุงออกมาตามสังขารจิตจิตสงบจิตสงบก็คือจิตไม่ปรุงจิตไม่นึกจิตไม่คิดแต่ก็มีสังขารจิตสงบละเอียดลึกอยู่ข้างในนั่นแหละสงละเอียดลึกอยู่ข้างในแต่โดยเหตุที่มันสว่างจ้าร่อยู่นะ ตัณหามันแทรกไม่ได้มันไม่มีอะไรไปเสริมมันแต่ถ้าหากตัณหาไม่สงบระคับตัณหาเข้าไปแทรกได้ไอ้ตัวนี้แหละเข้าไปแทรกแทรกแทรกแล้วเอาไปใช้ใช้ไปในทางโลภในทางโกรธยิจฉาดิษยาตัณหาราคะสารพัดแล้วแต่มันจะไปแทรกแทรกได้ทุกอย่างสารพัดเลยแหละเรื่องของตัณหาที่จะมันจะไปแทรกอยู่ในหัวใจของเรามันแทรกมากับกับตากับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายกับใจ มันแทรกมาที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสมันแทรกมาที่วิญญาณตาไปกระทบรูปแล้วเกิดวิญญาณนะจกักขุวิญญาณหูไปดินเสียงก็เกิดวิญญาณที่เรียกว่าโสตะวิญญาณเกิดวิญญาณวิญญาณหไปกระทบพัรษะกะเวทนาพัสษะกะเวทนานี่มันเป็นผัรษาด้วยมันเป็นเวทนาคือความรู้สึกตา ม, มาด้วย ว, วิญญาณกับพรรษ มันก็มีลักษณะไปกระทบเหมือนกันนั่นแหละหนึ่งรู้อหนึ่งไปกระทบกระทบมันมันเป็นอันเดียวกันนั่นเลยแหละแต่เวลาพุทธเจ้าท่านแสดงท่านมาแยกแยะให้เราเข้าใจจากพัศก็เป็นเวทนาพัศคือการไปกระทบเช่นอย่างตาไปเห็นรูปที่เรียก ว, ว่าตากระทบรูปในขณะเกิดความรู้สึกที่เรียก ว, ว่าจักขวิญญาณหูก็เช่นเดียวกันจมูกลิ้นกายก็เช่นเดียวกันต่อจากนั้นมาไม่ใช่มันไปกร ะ, ระทบเฉย กิริยาการตามมา ท, ท, ที่ที่สันเรียกว่าเวทนาเวทนาเกิดความรู้สึกดีใจเกิดความรู้สึกว่าไม่ดีใจเกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกไม่ชอบอเกิดความรู้สึกชอบเกิดความรู้สึกไม่ชอบอันนี้คือลักษณะการกระทําของจิตของเราที่ทําตามวิถีของจิตถ้าเราพูดมาถึงขั้นนี้เราพูดมาถึงขั้นนี้มันเป็นขั้นของกัน ระบบงานคือการต่อกอนกับตันหาที่แทรเข้ามาในหัวใจของเราแต่ถ้าหากเราทําให้ใจของเราได้รับความสงบสงบระงับไปสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่เกิดขึ้นเหลือแต่ผู้รู้นะเหลือแต่ผู้รู้ผู้รู้ของเรากับกับปีติความอิ่มเออมันอิ่มยังไงลองลองทำให้ถึงดูมันอิ่มมันสงบยังไงลองทําให้ถึงดู เหลือปีติสุขเอกกตาเหลือสุขกับเอกกตาเอกกตาต้องเป็นพื้นถ้าไม่มีเอกกตาอะไรก็เกิดขึ้นมไม่ได้สักอย่างสุดท้ายเหลืออุเบกขาเอกกตาจิตไม่มีกิริยาการวางเฉยนิ่งสว่างโรอยู่นี่ถือว่าเป็นขั้นละเอียดสูงสุดขั้นนี้เอามาพิจารณาไม่ได้เอามาพิจารณาตามหลักปฏิจจสมุปบาทเอามาพิจารณาไม่ได้แต่จําเป็นที่เราจะต้องทําเพราะเราเข้าไปลึกเท่าไหร่ เวลาพอเวลาเราไปเข้าเราก็มีความสงบเรามีความสุขเรามีความสงบเรามีความสุขมันมีพลังมันมีกําลังทําให้จิตของเราไม่โดดไม่ดิ้นทําให้จิตของเรานิ่งเวลาเราไปพิจารณากองสังขารให้เห็นเพื่อให้เกิดความเบื่อนหน่ายกองสังขารจะมีลักษณะอันนี้จังทุกขังอนัตตาสังขารใดก็ตามขึ้นชื่อว่าสังขารมีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารกามะโรคโรคปโรคอรูประโรคเป็นกองสังขารทั้งนั้น รว ม, มาถึงอย่างพวกเราเราน้องมาที่พวกเราเรามีกองสังขารรูปคือร่างกายของเราเรามีกองสังขาร น, นามคือกายของเราขึ้นชื่อว่ากองสังขาร น, นั้นอ่ะมันเป็นสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันถ้าเรียกว่ากองสังขารในกองสังขา น, นี้มันจะมีลักษณะไตรลักษ์ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่พุทธยถท่านมาช่องนี้ท่านมาตรงนี้ให้เราพิจารณาเพื่อใช่เกิดการเบือ่อเกิดการน่ายเป็นเหตุเป็นต้นตอบเป็นที่เกิดของสมถะ เป็นที่เกิดของพิ่ปเสนาสัมุตาคือสงบระงับดับตันหาในหัวใจของเราเฉยๆแต่จิตไม่ใช่ดับสงบระงับดับเฉยๆทําให้จิตดวงนั้นมีความสุขมีฤทธิม์มีเดชมีอภิญญาสารพัดเราจะเห็นว่าเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาเล่นบางทีก็หลงไปกับสิ่งเหล่านี้อีกแต่พระรุจยาท่านให้เราเรียนรู้ให้เราเข้าถึงและจะเอามาเป็นต้นทุนในการที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญาคือพิจารณาเห็นสัจธรรมคืออันนีจังทุกขังอนัตตานั่นเอง พระกองสังขานะั้มันจะมีสิ่งเหล่านี้แฝงอยู่ที่เรียกว่าไตรลักษ์ไตรลักษ์หรือสามัญลักษณะลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีประจำสังขารสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดรวมทั้งตัวเรารวมทั้งสิ่งอยู่รอบข้างตัวเราไม่มีอะไรแม้หนึ่งเดียวที่ไม่ใช่กองสังขารเป็นกองสังขารทั้งนั้นและสิ่งที่ไม่ใช่กองสังขารมีไหมในโลกนี้มีพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่มีกองสังขาร เป็นผู้รู้หนึ่งเดียวไม่เป็นสองเพราะถ้าตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาอยู่ด้วยกันเนี่ยาเรียกว่ากองสังขารถ้านเรียกว่ากองสังขารแต่พระพุทธเจ้าท่านชะล้างสิ่งที่ปนเปื้อนมากับพระจิตของพระองค์หมดจดโดยชิ่นเชิงเหลือผู้รู้หนึ่งเดียวด้วยเหตุที่มีผู้รู้หนึ่งเดียวแม้แต่อัตตาก็ไม่มีพระองค์ชีงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาถ้าเป็นอัตตาแล้ว ถ้าเป็นอัตตาแล้วไซเราจะต้องบังคับให้เป็นไ ป, นปนตามใจหวังของเราได้โดยเหตุที่ไม่ใช่อัตตานั่นเองเราจึงบังคับบัญชาไม่ได้เช่นอย่างร่างกายของเราต้องแก่เราบังคับไม่ได้รา่รางกายร่างกายของเราต้องเจ็บนี่เราบังคับไม่ได้ร่างกายของเราจะต้องตายนี่เราบังคับไม่ได้โดยเหตุที่เราบังคับไม่ได้นั่นเองเราจะว่าเป็นอัตตาได้ยังไงพระองค์จึงศึกษารู้เท่าที่มันมันมีเท่าที่มันเป็นตามมีตามเป็น แล้วก็ปล่อยศึกษาให้รู้ให้เข้าใจตามมีตามเป็นแล้วก็ปล่อยคือเข้าไปรู้เข้าไปเห็นว่าความไม่คงทนของสังขารนี่เองคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ตามหลักอริยศาสตรท์ท่านว่าทุกขงังทุกขงังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราเห็นมีกองสังขารใดบ้างที่อยู่รอบข้างตัวเราอยู่เท่าเดิมมีไหมนอกจากสิ่งที่มีอายุยาวเช่น อ, อย่างก้อนเหล็กเงี้ยก้อนไม้ดุนไม้ ด, นมดุนเหล็กหรือหรือเศษปูนหรือหรือเสาปูนอย่างเงี้ย ไม่เห็นไปไหนอยู่เท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมเราคอยดูร้อปี200ปี300ปี500ปีไปขนามันจะมีอะไรเหลือไม่มีเพราะขึ้นชื่อว่าระยะเวลาเนิ่นนานไปเท่าไหร่สังขารแต่ละสังขารนั้นจะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแม้แต่เหล็กชัเตนเลตเอวยเพชรนินจินดาอะไรที่ว่าแข็งที่สุดในที่สุดก็จะต้องเปลี่ยนไปนี่ โดยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าโอ้ภาวะอันนี้เป็นภาวะของธรรมชาติเราจะเกณฑ์ให้เปลี่ยนไปตามใจหวังของเราไม่ได้และเราจะมายึดถือว่าเป็นอัตตาได้อย่างไทางท่านเลยพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อ ย, นอยในที่สุดพระองค์ทรงเข้าถึงความเป็นอนัตตาในเมื่อพระองค์ทรงปล่อยปล่อยได้หมดอย่างนี้พระองค์สามารถเข้าถึงประมังสุขังเราไปดูอาจารย์ของพระองค์อุทกดาบทอารดาบท เวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้ารูปสมาบัติมาบัติท่านเข้าอารูปสมาบัติขึ้นชื่อว่าความสุขทั้งหลายในโลกีรูปสมาบัติคือฌานทั้ง4อรูปสมาบัติคืออรูปฌาน4ีนี่เป็นความสุขขั้นสุดยอดของโลกีไม่มีความสุขอื่นใดเท่าทีนี้ตามคติของพราหมณ์เขาบอกว่าถ้าไม่มีอัตตาจะเอาความสุขมาจากไหนจะเอาอะไรมารู้ว่าสุข เพราะศาสนาพราหมณ์เขเป็นศา ส, สนาแห่งอัตตาอัตตานะอัตมันอัตมันไปดูที่ตามหลักของศาสนาของเขาใครเข้าถึงใครเข้าถึงพระพรหมคนนั้นจะไปรวมตัวกันอยู่กับพระพรหมเป็นหนึ่งเดียวท่านเรียกว่าปรมาตมันปรมาตมันปรมาตมันก็คืออัตตานะเองถืออัตตาถ้าไม่มีอัตตาแล้วจะเอาอะไรมาสุขอ่ารูปปัจจ ա บัติอรูปปัจจบัติ เวลาท่านเข้าไปจริงๆแล้วมีความสุขมากามีความสุขมากจนไม่สามารถจะปล่อยได้จะละได้จะวางได้ในสุก็คือยึดความสุขเหล่านั้นพทะเจ้าปล่อยหมดรูปสมบัติพระองค์ก็ปล่อยอรูปปมบัติพระองค์ก็ปล่อยแม้แต่การเข้าไปสงบระงับถึงขั้นสัญญาวเวทยิสตานิโรดนี่ก็ไม่ใช่พระรนิพพานพระองค์ก็ปล่อยในในสุกพระองค์ก็ปล่อยหมดเห็นทุกเห็นโทษหมดแล้วก็ปล่อยหมด จิตเข้าถึงความเบื่อหน่ายคลายจางปล ong ปล่อยเกิดความรู้เกิดญาณทัศน์รู้ว่าพระองค์หมดแล้วสิ้นแล้วอาสวัคยาญาณมีพระญาณอย่างรู้ว่าอาสวัคเกเรตภายในพระทัยของพระองค์หมดจดโดยสิ้นเชิงพระสงฆ์สาวกพระอริยสาวกท่านเข้าถึงความรู้ความเห็นเหล่านี้ท่านก็เข้าถึงขณะของจิตที่จะหมดสิ่งเหล่านี้หมดไปจากไปจากจิตไปจากใจปล ong ปล่อยหมด หมดสภาพของการยึดมั่นถือมั่นด้วยประกาศทั้งปวงเนี่ยความทุกข์ที่พัฒนามาตามหลักของปฏิจจสมุปบาทตัณหาที่เคยเป็นมาที่จะเรียกว่าเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาในเมื่อเวทนาเวลาเรามาอยู่หน้างานเรากําหนดรู้ว่าเวทนาสุขเราก็กำหนดรู้ว่าเป็นสุขความสุขอย่างหนึ่งผู้รู้ว่าสุขอีกอย่างหนึ่งอาศัยว่ากําลังของสติอาศัยกําลังของปัญญา เข้าไปรู้ว่าผู้สุขอย่างหนึ่งผู้ผู้รู้ว่าสุขอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งผู้รู้ว่าดีอย่างหนึ่งไม่ดีอย่างหนึ่งผู้รู้ว่าไม่ดีอย่างหนึ่งมันสองอันไม่ใช่อันเดียวกันแต่สำหรับจิตของพวกเรานั้นเรายึดหมดความสุขกับความทุกข์กับจิตกับอะไรต่ออะไรของเราเป็นอันเดียวกันรูปกับตาที่ได้เห็นเป็นอันเดียวกันหูที่ได้ยินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้ที่จริงมันเป็นของคนละอย่างคนละอันเป็นกองสังขาร หากมันทํางานประสานกันทําให้เรารู้ว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนั้นเป็นนั้ น, อ, น, น, นอันนี้คือความเป็นไปภายในจิตของเราพุทธเจ้าท่านชะล้างอย่างนี้ทําจิตให้ได้รับความสงบหยุดไม่นึกคิดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสจนจิตมีกําลังและพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณากรสังขารที่เป็นรูปที่เป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสพิจารณาเวทนาพิจารณาสัญญาพิจารณาสังขารพิจารณาวิญญาณที่จะเรียกว่า พิจารณาเวทพิจารณานามนามขันนามขันก็พิจารณากิริยาการภายในจิตของเรานั้นเองพิจารณาในขณะที่เราตั้งใจพิจารณานั้นมันเป็นการใช้สติเป็นการใช้ปัญญามีสติปลุกรู้ตื่นโรูอยู่ทุกระยะทุกกิริยาอาการตัณหามันแทรกไม่ได้ตราบใดที่ยังมีสติกำหนดกำ ก, ำกับกำกบหนดจดจ่ออยู่ตัณหาจะเข้าไปแทรกไม่ได้ทําไมจะแทรกไม่ได้ก็รู้รู้อยู่ตื่นตื่นอยู่จะเอาอยู่จะ กำลังตั้งใจจะฆ่าคนอยู่แน่พวกความรู้เหล่านั้นมันเป็นมิจฉามันมันมันมันผิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่รู้ถูกรู้เพื่อจะฆ่าเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกแล้วรู้ก็ต้องรู้เฉยๆแล้วจบแล้วก็ดับเหมือนอย่างตาเราเห็นรูปเราเรามีสติกํากับจดจ่ออยู่ตั้หาแทรกไม่ได้รู้เห็นสักเท่าไหรเห็นจริงๆนะได้ยินสักเท่าไหรได้ยินจริงๆได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรได้สัก ได้สัจธรรมริงแล้วนั้นจริงๆเราจะทํำยังไงเราจะพิสูจน์ได้ยังไงเราสังเกตมาที่ใจของเราเราจะรู้เลยแล่ะเราสังเกตได้เราทดลองได้เราจับได้เลยล่นนีนโกรธปั๊บเราโกรธปั๊บเราเอาสติของเราเอาผู้รู้เราจิ้มไปที่ไอ้ความโกรธนันอะอ่ะเวทนาเกิดขึ้นนี่ยเวทนาที่กายนั่งเจ็บนั่งปวดเน่ยเอาผู้รู้เราจาะไปอยู่ท่ารงกลางเวทนาเนี่ยสัจธรรมรู้ พะมันขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับพูดอย่างนี้ฟังยากแต่ถ้าหากเร า, เ ท, าทำแล้วเข้าไปตรงนั้นเราสามารถทำได้อันนีเน้เป็นวิธีการสงบระงับดับตัญหาซึ่งเป็นสมุไทยเป็นเจ้าเป็นจอมของวัตตะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นกับกองวัตต ะ, ะวัตะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย คนเราพระอริยเจ้าทั้งหลายนะั้นท่านไม่เกิดทําไมท่านจึงไม่เกิดเพราะท่านทำํำท่านชําระตัณหาให้หมดไปเมื่อหมดตัณหาแล้วก็อุปาทา น, นก็ไม่มีอุปาทานนี้มันเป็นกิริยาที่ประกอบมากับตัณหาพอตัณหามันเข้าไปยึดเข้าไปเกาะจิตปับ๊บจิตพายุดมันไปเกาะจิตปับ๊บจิตพายุดยึดอะไรนะั่นอันนั้นคืออุปาทานอุปาทานพายุดยึดยังไงก็ไปเกิดอย่างนั้นที่เรียวกว่าพบอุปาทานเป็นไปอ ย, ย่ายเกิดพบ ยึดยังไงก็ไปอย่างนั้นยึดยังไงก็ไปเกิดอย่างนั้นเมื่อมีพบแล้วคือที่เกิดเราจะต้องไปเกิดในที่นั้นเราจะต้องไปอบัตเหมือนอย่าเราคิดถึงงานเราออกจากนี้ไปปับ๊บเราจะต้องไปขีดไปเขียนไปนูน่นไปนี่กับงานที่เราทํานั่นตรงนั้นคือพบสนอเดี๋ยวเราไปโผล่ที่นู่นนั่นน่ะคือชาติไปโผล่ที่นั่นแหละเราพิจารณาให้ละเอียดอย่างนี้เราได้ข้อเทียบเคียงไ ด, ได้ข้อเทียบเคียงเราไม่ต้องพูดถึงภพบหน้าเพราะการที่เราจะตายปั๊บไปอบัตในพบหน้านั้นน่ะ มันเป็นของที่จะต้องเสียสละกันด้วยด้วยชีวิตนะแต่ถ้าเรามาพิจารณาถึงภพชาติของจิตเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าภพภพภพมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างนี้ชาติไปเกิดก็ไปเกิดอย่างนี้จากนั้นความดีใจความเสียใจมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในลําดับกับสิ่งเหล่านีน้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมีมีชาติเมื่อมีชาติมามี ช, ามามชารามีเสกะ ปริเทวะทุกขโทมนรรัสเส้าปรรยาเหียวแห้งระทรมตรอ ม, ม, มใจความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราดับตัณหาเสียได้มันจะสงบระงับสงบระงับดับได้ทั้งหมดสังขารทั้งหลายถูกดับวัฏสงสารก็ถูกดับอวิชชาก็ถูกดับในจิตดวงนี้มีวิชารูสว่างสวายอยู่ที่เรีย่ว่าวิชาวิชานี้เราดูมาที่ผู้รู้ของเราในขณะที่ทํางานตื่นรูสว่างอยู่เนี่ยตัณหามนันแทรกเข้ามาไม่ได้ อันนี้คือการพิจารณาการการสงบระงับเราพูดทั้งนี้เราจับไปทํางานได้ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธารมละเอียดมาจนถึงงานของสมถะและงานของวิปัสสนาพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาระยะเวลาบ่ายมองสิบนาทีกินเวลาก็าไปสิบนาทีแล้วพูดยังไม่ไปหน้ามาหลังเลยวกอยู่ตรงนี้แหละนะจึงพอสมควรแก่เวลา พวเราก็จะได้ไปดูแลจัดการตามหน้าที่ของตนของตนตัวเหตุที่เราได้ยินได้ฟังอะไรเป็นข้อแปลกประหลาดที่จะเอาไปขบไปคิดไปนึกไปคิดไปพิจารณาแต่ถ้าเรามาฟังซ้ําอีกเราจะเข้าใจได้ดีเพราะเราพยายามพูดต้นตลํามาให้เรารู้สาเหตุต้นต่อถ้าเราไม่ขุดรากขุดเง้าสิ่งเหล่านี้มาให้พวกเราเข้าใจให้เขาไปรู้ให้เราเข้าไปรู้ความรู้แบบพลางพลางรู้แบบมัวมัวรู้แบบมืดมืด ที่เราจะชี้เหตุให้ถูกผลมันชี้ไม่ถูกที่เราจะชี้ผลให้ถูกระเหตุมันชี้ไม่ถูกในที่สุดเราก็ชี้ผิดผิดชี้ถูกๆูกในที่สุดเราทําผิดผิดทำถูกถูกในที่สุดเราก็ได้สุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างโกรธบ้างดีใจบ้างโกรธบ้างเครียดบ้างชิงจังบ้างอะไรบ้างก็สับปนปนเปกันอยู่อย่างนี้ในที่สุดความสุขกับสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างขอให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังและเอาไปพัฒนา พัฒนาหัวใจของเราพัฒนาจิตใจของเราจะเป็นประโยชน์ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สิ้นระยะเวลาเที่ยง10บนาทีขอให้<า>ทุกท่านาาฮะเร า, าไม่ใช่เ<า>ที่ยงบ่า ย, ายมองสิบนาทีขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจและน้อมนำไปถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามธรรมะขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้ความรู้ทั้งทา ง, งหลักทฤษฎีและทางหลักแง่ของการปฏิบัติละเอียดเข้าไปจนถึงหน้างานหน้างานที่กำลังตั้งหอกตั้งใจทาทั้งทั้งสมถะทั้งวิปัสนาพยายามทําจนเกิดผลในหัวใจของเราเราจะประสบความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตะตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทพนะระโสยธามนิโชทิระโสยธาสพีติโยวิวัตชันตุสพโรโควินัสตุสมาเตภวัตวันตรายโยสขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาไปใจโนจตารธรรมวัันติอายุปโนสุขังภาลังอ่า